เราลงทุนลงแรงศึกษาอยู่ช่วงหนึ่งจิตใจของเราเข้าถึงธรรมะดืมดํำในรถกองธรรมะเป็นระยะระยะไปะมีความสุขเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นสมัยก่อนหลวงพ่อทางานอยู่ทำเนียบรัฐบาลเดินอยู่ในรมเนียบเนี่ยมีชื่อเสียงในด้านที่เดินยิ้มเกิดสายลมและแสงแดดได้นะมีความสุขนะเดินไปทางไหนมีความสุข ถรามามาทำงานอยู่ตรงหัวมุมถนนเนี้ยอยู่วงการโทรศัพท์นะวันวันนะยิ้มแย้มแจ่มใสมันมีความสุขความสุขมันปุดขึ้นมาจากข้างในตลอดเวลาที่ความสุขจากการปฏิบัติธรรมจากการมีสติพวกเราเสแสวงหาความสุขลนะองมาฟังหลวงพ่อพูดแล้วจะรู้ว่าความสุขมันจะเกิดขึ้นได้อย่างไงความสุขจริงๆเนี้ยหาไม่ยากหรอกจิตใจของเราแต่ละคนนะ มันมีความสงบสุขอยู่ภายในอยู่แล้วจิตใจของเราแต่ละคนมีความสว่างมีความผ่องใสอยู่ภายในอยู่แล้วนั่จิตแต่เดิมเนี่นมันประพัดสอนมันผ่องใสมันสงบมันร่มเย็นอยู่แล้วกิเลสต่างหากน่ะแทรกเข้ามาเป็นกล่าวกิเลสผ่านเข้ามาทีไรเข้ามาแผดเผาใจของเราให้ร้อนนะพระพุทธเจ้าถึงบอกว่าไฟคือกิเลสไฟคือราคะไฟคือโทสะไฟคือโมหะ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 ที่จะมีความเบิกบานมีความผ่องใสขึ้นมาอัตโนมัติจิตที่มีความรู้สึกตัวมีสติเนี่ยเรว่าเป็นกุศลจิตที่เป็นกุศลเนี่ยจะมีลักษณะสาคัญคือไม่มีกิเลสไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะมาเป็นเครื่องแผดเขาจิตที่มันเป็นกุศลขึ้นมามีสติแล้วเป็นกุศลขึ้นมามันจะเบาพวกเรารู้สึกไหมพวกเราชอบหนักใจใจเราชอบหนักนะหนักเรื่องโน้นหนักเรื่องนี้ไปเรื่อยๆ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 เพื่อให้เห็นความจริงเนี่ยพอเรามารู้ความจริงของกายรู้ความจริงของใจกายนี้ทุบร้วนๆ น, นะจิตใจก็ทํางานได้เองไม่ใช่ตัวเราหรอกเราบังคับมันไม่ได้เนทั้งกายทั้งใจนี่เป็นแค่เครื่องอาศัยอยู่ชว่วครั้งช่วงคราวทั้งกายทั้งใจนี่ไม่เที่ยงทั้งกายทั้งใจมีความทุบบีบพันทั้งกายทั้งใจไม่ใช่ตัวเรากลายเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุใจก็เป็นนามนธรรมที่ทํางานของมันได้เองเป็นาธาตุเหมือนกันเรียกวิญญาณธาตุเป็นาธาตุ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 พอใจมันตั้งมั่นขึ้นมาตอนนี้ก็รู้กายรู้ใจต่อไปอีกตอนนี้มันจะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างไหลมาไหลไปแล้วใจมันจะไม่หลงเข้าไปยินดีๆๆนยินร้ายแล้วมันรู้นี่ความสุขก็ชั่วคราวความทุกข์ก็ชั่วคราวกุศลนกุศลก็ชั่คควคราวจิตมันจะเข้าไปสู่ความเป็นกลางทุกวันนี้จิตเราไม่เป็นกลางสังเกตไหมพอมีความสุขเราก็ยินดีมีความทุกข์เรายินร้ายะมีกุศลในพวกคนดีมีกุศลแล้ว ย, ยินดีมีอากรุณแล้ว ย, ยินร้ายในพวกคนชั่วมีกุศลแล้วยินร้ายนะ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 ใจอย่างนี้มีปัญญาปัญญาตัวนี้เรียกว่าสังขารู้เบียขาใจมันจะเป็นกลางใจมันจะเป็นกลางต่อความปรุงแตง่งทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งดีทั้งชั่วความปรุงแต่งที่เป็นคู่คู่ทั้งหลายนั้นใจจะเป็นกลางกพรารู้ว่าความปรุงแต่งทั้งหลายของชั่วครั้งชั่วราวนี้พอใจเป็นกลางความสุขเกิดขึ้นใจไม่ทางานต่อสักว่ารู้สักว่าเห็นแล้วจบลงแค่การรู้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 แต่ถ้าเริ่มต้นด้วยการหายใจเข้าแนละ้วใจจะแข็งแข็งมันจะอาดเข้ามางั้เริ่มหายใจออกก่อนสบายนะเวลาเรากลุ้มอกกลุ้มใจถอนใจสักเรื็กหนึ่งถอนใจนะแต่อย่าถอนตลอดเวลานะเดี๋ยวคนเขาคิดว่าบ้ า, ยานยเงี้ยไม่ได้นะอย่างเงี้เหมือนหมาบ้าหมาหอบแดด น, นะเวลาเรากลุ้มๆนะนี่หายใจอย่างนี้นะเนี่ยรู้สึกไหม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 เหตุผลน่ะสำคัญงั้นอย่างใจเราเห็นหมาบ้าวิ่งมากลัวรู้ว่ากลัวแล้วหลบหลีเห็นสาวสวยเดินมาใจมันชอบรู้ว่าชอบถ้ายัางไม่มีเมียจะเดินตามดูก็ไม่เป็นไรนะถ้ามีเมียแล้วก็อย่าไปดูเขาเดี๋ยวเห็นเมียหน้าเกลียดน่ะจะไม่สบายใจนะนี่นต้องรู้จักมีปัญญานะทําอะไรแล้วจะสบายทําอะไรแล้วไม่สบายก็ต้องเลือกเอาอะไม่ใช่โง่ไปเที่ยวดูสาวสวยตลอดเวลานะจิตใจก็ไม่สบาย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 ไม่นานไม่มากอาจจะเจ็ดชาติก็ได้การภาวนาะหนะ้ากว่า จ, า จ, จะพ้นคนหนึ่งคนหนึ่งไม่ใช่ทำประเดียวประดาวนะหลายคนภาวนานแล้วกะเลยจะต้องบรรลุใน e เจ็ดเดือนาะไปอ่านเจดเดือนบรรลุธรรมของดังตรินมานะกะว่าเจ e ็ดเดือนต้องบรรลุไม่บรรลุหรอกนะเพราะอะไรถ้าอินทรีย์แก่กล้าไม่พอไม่บรรลุถ้าเราสะสมของเรามาพอแล้วเจ็ดวันก็มีนะ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 ดูอะไรก็มีความสุขไปหมดโลกนี้ปลอดโปง่งโล่งเบาเห็นไม้มเรามีเราสวรรค์ตอนนี้เลยใจเรามีความทุกขนะ์นโลกนี้ทุกทั้งหมดเลยใจเราพ้นความปรุงแต่งเราก็พ้นโลกเลยแนะอยู่ที่ใจนี่เองนะวันนี้พอสมควรโยมมีอะไรจะคุยให้หลวงพ่อฟังเขาเชิญนะหลวงพ่อไม่ได้บอกให้ถามนะบอ mm hmm. มีอะไรจะคุยก็เอาจริงๆแล้วคำถามในการปฏิบัติเนี่ยค่อนข้างจะเป็นส่วนเกินนะ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 แต่ยังดีไปอีกพวกหนึ่งในพวกหนึ่งดูแล้วหลุดเข้าอยู่ข้างในเพ่งลึกๆเข้าข้างในไปเรื่อยๆหลวงพ่อก็เคยผิดนะเข้าข้างในตอนที่เข้าข้างในไปเนี่ยไปเจอหลวงปู่สิมเขาหลวงปู่สิมท่านฝักมือผู้รู้ผู้รู้นี่ออกมานอกๆนี่นอกๆนี่แล้วเอ๊ะทําไมให้ออกมานอกๆครูบาอาจารย์บอกว่าอย่าส่งนอกเนี่ยเห็นไหเราก็ส่งเข้าข้างในความจริงครูบาอาจารย์ไม่ได้บอกให้ส่งในท่านบอกอย่าส่งนอกคืออย่าหลงออกไป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 บอกว่าหลวปู่สิมบอกให้ออกมานอกๆหลวงพุทธเจ้าอธิบายมันเป็นกลาง น, นั่นเองไม่ส่งนอกไม่ส่งในคือเป็นกลางกลางกลางกลางกลางกลางแล้วก็จงใจประคองไว้ตรงกลางเห็ไม่หาเรื่องทําจนได้อ่ะเพราะฉะนั้นไอ้ที่ผิดๆนะหลวงพ่อผิดมาเยอะแล้วนะ <c oughs> ไปประคองไว้ตรงกลางประคองไว้ใจก อ, อ, อย่างง้นอยังงี้เดี๋ยวเกาะเดี๋ยวหลุดเดี๋ยวยังง้นยังงี้ก็ใช้ไม่ค่อยได้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 ถ้าใครจะถามก็อย่าถามยาวนะถามคนเดียวห้านาทีนะโทสะดีกรีของโทสะในห้องนี้กำลังเพิ่มขึ้นต้นองระวังนะเพราะพวกเราส่วนมากยังมีกิเลสอยู่พอใครคุยยาวอยู่คนเดียวนะเพื่อนชัดเดือดปุดๆุ ด, ดแล้วพยายามดูนะพยายามวางฟอร์มถ้าเป็นที่อื่นด่าไปแล้วนะเชิญเชิญ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 ไม่ไม่จองทางไปษณีทางโทรศัพท์นะอะทางอินเทอร์เน็ตเลยอินเทอร์เน็ตอยากจองก็จองไปหลวงอไม่มีเดี๋ยเราก็ไปไหนก็ไม่รู้นะเดือนเมษายนมาถามพิธีใช่ไหมครับก็เดือนมิถุนาไปขออนุญาตครับแล้วตอนนี้กิจเต็มยังครับอะไรนะแล้วตอนนี้กิจของผมเต็จมยังครับเพราะว่าผมนนี้ผมถ้าไปขอก็จะให้ครับสวัครับ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 เห็นซ้ำแล้วซ้ำอีกไม่ได้ฝึกให้หยุดคิดนะเราไม่ได้พัฒนาตัวเองไปสู่การเป็นต้นไม้และก้อนหินนะเราพัฒนาเป็นมนุษย์แล้วมนุษย์คือผู้มีใจสูงใจมนุษย์คือใจสูงนะใจมนุษย์เนี่ยคือใจที่ดีที่สุดใจที่ประเส ร, ริฐที่สุดหมอที่สุดสำหรับการทำกรรมฐานแต่พวกเราชอบลทิ้งจิตของมนุษย์ไปจิตมนุษย์ที่ดีที่สุดในเราชอบทิง้ง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 ขอบคุณครับการได้รับการหลวงพ่อนะครับตอนนี้ได้ดูความตึมเป้นตัวเองอยู่เออดีดีดคือปฏิบัติมาถ้าพักนึงรู้สึกว่าจิตใจมันไม่ค่อยแบบสดใสมันมันหมองมอ ง, มองยังไงไม่ต้านะคือถ้าปฏิบัติแล้วเห็นเราใจหมองนะอย่าอยากใจใสนะอย่าอยากของใสถ้าใจเรามองให้รู้ว่าใจมันหมองให้นั่งดูไปเมือเห็นคนอื่นหมองอะดูไปเรื่อยๆดูซิ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 ราหัดทีแรกยากแทบตายเลยรู้สึกเดินสบายกว่าแต่พอเราขับรถเป็นแล้วรู้สึกไมมขับรถเราสบายกว่าเดินยกเว้นขึ้นปูกระดึงน ะ, ะไปไหนละอันมรส ก, การหลวงพ่อคะ่ะที่หลวงพ่อบอกว่าถ้าพิจารณากายเนี่ยกายโอเหมือนก้อนธาตุแต่เวลาบางทีที่หนูดูกายก็คือปกติก็คือดูแล้วว่ า, ามันเคลื่อนไหว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 มันจะเห็นอยู่ห่างๆแต่ไม่ได้เห็นไม่ใช่ตัวเราเลยแจ็มันจะรู้สึกเหมือนมีช่องว่างนะร่างกายกับจิตก็มีช่องว่างเวทนากับจิตก็มีช่องว่างกูศนากูศนกับจิตก็มีช่องว่างมีช่องมีระยะห่างไม่ใช่ตัวเราจะแยกออกจากตัวเราไปเรื่อยเสร็จแล้วเราจะเห็นจิตเนี่ยเกิดดับได้เในจิตเกิดที่ตาดับที่ตาเกิดที่หูดับที่หูเกิดที่ใจ ด, ดับที่ใ จ, ใจเห็นอีกจะเห็นเลยกระทั่งตัวที่ไปรู้ไปดูนะก็ไม่เที่ยงเหมือนกัน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 ไปรู้อารมณ์ก่อนไปรู้อารมณ์มันเดียวนะเช่นรู้พุโทโธรู้ลมหายใจถ้าใจเรายังฟุ้งซ่านวุ่นวายอยู่นะเราก็พุโทโธหายใจของเราไปเรื่อยๆอย่างสบายๆเคล็ดลับบอกแล้วนะต้องสบายใจก็สงบตั้งมั่นขึ้นมาพอใจสงบใจตั้งมั่นแล้วเนี่ยเราไม่บังคับให้นิ่งแล้วทีนี้เราก็ตามดูสภาวะความเปลี่ยนแปลงของใจไปเดี๋ยวใจก็หนีวิคิดก็รู้ใจเป็นยังไงก็คอยรู้เอา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 เอ้ ain, มีแต่เคลิม้มเคลิมแฮะไม่ใช่มีคนปฏิบัติเนี่ยไม่ได้มีคนเจริญสตินั่งเอาเคลิม้มพอเช้าขึ้นมาเข้าไปกราบหลวงปู่ตอนเช้าหลวงปู่แล้วก็ยิ้มยิมเปรย์เปรย์วัดนี้ไม่มีคนปฏิบัติแล้วอย่างเงี้ยคนที่ฟังก็จะงงงงเอ ain, นั่งสมาธิกันเป็นร้อยคนนะหลวงปู่บอกวัดนี้ไม่มีคนปฏิบัติแล้วจริงๆไม่มีคนเจริญสตินะั้น งั้นการทํามิจฉาสมาธิทําแล้วยิ่งโมหามากขึ้นาามากขึ้นทําแล้วราคะมากขึ้นมากขึ้นพอออกมาจากสมาธิโทสะจะมากขึ้นมากขึ้นงั้นหลายคนที่ทํากรรมฐานนะทําแล้วก็เพ่งเพ่งเพ่งไปด้วย พ, พอพกลับบ้านนะจะขี้มโมโหามากกว่าเก่าถ้ารู้สึกว่าภาวนาอยู่วัดสงบนะพอออกจากวัดออกจากคอสกลับบ้านแล้วร้ายกว่าเก่าต้องะระลึกไว้เลยนะไปทําสมถะมาแน่ๆเลย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 นะอย่างแต่ละวันตั้งใจว่าต้องนั่งสมาธิเดินจงกรม5นาที10นาทีอะไรต้องทำํำนจะิตใจให้จะได้เด็ดเกดี่ยวแล้วก็ถ้าเราแบบเอาละฉันจะดูอย่างเดียวไม่มีรูปแบบนะสักพักหนึ่งกี่เลสมันจะหลอกเราอย่ขี้เกียจนะ่ะดูแว บ, บๆแล้วหนีไปนานนะดูแว บ, บๆแล้วหนีไปนานอย่างนี้ย่อหย่อนนะค่อยสังเกตที่ใจเราว่าหย่อนไม่หย่อนถ้าเรารักษาข้อวัดไว้แนละ้วมันเป็นรั้วกั้นเรา ไม่ให้หย่อนเกินไปแต่เบื้องแรกนะตึงไว้นิดนิดไม่เป็นไรนะเริ่มต้นตั้งใจทามันต้องตั้งใจหน่อยหนึ่งก่อนแล้วก็ค่อยไปรู้ทันแล้วค่อยคลายออกแล้วก็พอดีแต่ถ้าเริ่มต้นทำยังไงจะพอดีทําัไงจะพอดีนะฟู้ง่านอยู่งั้นแหละไม่ได้กินหรอกนักสการท่านอาจารย์ครับที่พยายามตามรู้ตามดูอยู่นี่ไม่ทราบว่า ให้ท่านรู้<า>สึกไห ม, ไมใจ<ำ>ไม่ตั้งมั่นขณะนี้ยใจไม่ถึงฐานมันรู้ออกไหมใจไม่ตั้งมั่นให้รู้ทันว่าไม่ตั้งมั่ น, นให้ให้ย้อนกลับมารู้แต่ว่าที่ฝึกอยู่พอใช้ได้อยู่เห็นกิเลส่ะกิเลสโรกรก็มองเห็นใช้ได้แต่ว่าใจใจตอนนี้ผิดปกติดูออกไหมตอนเนี้มันไม่เหมือนธรรมดาดูออกไหมครับเกรงเออมันเกรงให้รู้ทันลงไปอย่าไปแก้นะ <ๆ S 2>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 จิตตัวหนึ่งจะรู้ว่าต้องทํางานแต่ว่าอีกตัวหนึ่งจะคอยพิจารณาร่างกายตลอดเวลาค่ะก็เลยอยากจะทราบว่าทําไมถึงแยกเป็นสองส่วนไม่รวมกันเป็นหนึ่งอะคะ่ะขอบคุ ณ, ค, ณค่ะมันมันคนละขนาดกันนะถ้าขณะที่คิดเรื่องงานมันก็คิดเรื่องงานแล้วก็เราก็แอบฉกเฉวยจังหวะหนีงานเอามาดูตายถ้าหลวงพ่อเป็นหัวหน้า ง, งานนะหลวงพ่อโอ๊ยเอ็นี่ไม่ทํางานนะต้องตัดเงินเดือนแล้วแอบไปปฏิบัติซะละ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 ะนมรดกการหลวงพ่อคะ่ะเออจะถามว่ารู้สึกว่าเออเวลาดูจิตยอย่างเงี้ยคะ่ะเหมือนพอไะวจิตยังไม่ตั้งมั่นเพียงพอหรือเปล่าค่ะก็เลยแบบบางครั้งเหมือนดูสภาวะแล้วมันไม่ค่อยชาดอะคะ่ะมันจะไวแวบ ไ, ไ, ไปคิดไปคิดตลอดเลยอ ะ, ะใจของทุกคนนะไหวตลอดเวลาไหวแวบแวบวบแว บ, บ, บนะหนีไปคิดทุกๆสองวินาทีสามวินาทีนี่เรื่องปกติแต่ว่าเราหัดใหม่ๆเนี่ยเรา หนาะทีเราเห็นว่าเผลอไปคิดได้สักสิครั้งอะไรก็เก่งแล้วละ่ะนะแต่ต่อไปจะเห็นละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นนะว่าไหวแวบแวบแ บ, แ บ, แบตลอดเวลามีแต่ไหววบวบแวบตลอดนะเป็นปกตินะแต่พอจิตมันไหวแวบแวบแบ แ, บแล้วอย่าตกใจแล้วก็ไม่ต้องพยายามรู้ให้ชัดนะถ้าพยายามรู้ทุกกานให้ชัดจิตจะฟุง้งซ่านแล้วก็เหนื่อยแล้ว เ, เครียดด้วยนะให้ดูภาพรวมว่าจิตกำลังฟุ้งซ่านอยู่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 คิดมากจะยากนานนะคะก็พยายามดูจิตไปจากตรงนั้นนะคะแล้วก็อ่าก็คิดว่าเวลาเวลาจิตคิดก็เผลอเออก็รู้ว่าเผลอเนี้ยะคะ่ะแต่อยากแต่อยากจะถามหลวงพ่อว่าอ่าจะทํำยังไงให้เห็นความว่าเวลาเรารู้แล้วเรารู้อย่างเป็นกลางอะคะ่ะเพราะว่าจะปรุงให้ใ ห, ให้รู้สภาวะนะว่าใจเราเป็นกลางหรือไม่เป็นกลางต้องต้องรู้มันนะไม่ใช่ไปทําให้เป็นกลางนะ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 ตอนนี้คิดมากยากนอ้อยไอ้คิดน้อยยากน้อยนะคิดให้น้อยน้อยนะรู้ให้เยอะๆยอะอ่ะพอที่ยังเหนื่อยแล้วไหนไหนอยู่ไหนอ่ะกลับนมัส ก, การพอครับเมื่อขณะที่เริ่มเริ่มจะรู้สึกว่าจิตเนี่ยมันขยับจะไปรู้อะไรเนี่ยฮะความคิดตอนนั้นมันจะ